สวัสดีครับปีน้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตสุภาษิตบทที่30ข้อที่29ถึงข้อที่31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีสมสิ่งที่สง่างามมากในท่าเดินเออมีสี่สิ่งที่ย่างเท้าของมันผ่าเผยคือสิงห์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดและไม่ยอมหันหลังกลับเพราะสิ่งใดเลยพ่อไก่ ที่เดินป้ออยู่แพะผู้และพระราชาที่เสด็จพระราชดำเนินอยู่หน้าประชาชนของพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้แบ่งปันถึงสัตว์สี่ชนิดคือมแมลงสองชนิดและสัตว์ธรรมดาอีกสองชนิดมแมลงสองชนิดนั่นก็คือมดและก็ตั๊กขาแตนแล้วก็ตัวกระจงผาและทุกแก่วันนี้นั้น มีสัตว์อีกสี่ชนิดครับที่สง่างามมากสัตว์สี่ประเภทเมื่อวานนี้เป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยต้องถ่อมใจแต่มีสติปัญญาสูงวันนี้มีสิ่งมีชีวิตอีกสี่ประเภทที่มีท่วงท่าสง่างามสิ่งมีชีวิตสี่ประเภทนี้ก็คือสิงห์พ่อไก่แพะและพระราชาทั้งสี่ประเภทนี้นั้น กับกันกับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อยแต่วันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูสง่างามสง่ามผ่าเผยในท่วงท่าในการเดินของมัน mm hmm. พี่น้องครับเมื่อเรามองเห็นสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราจะสามารถถอดบทเรียนโดยเพื่อยิ่งสัตว์ประเภทต่างๆที่อากูนั้นได้ถอดบทเรียนให้กับเราในหลายหลายวันที่ผ่านมานั้น สิ่งที่สําคัญอันดับแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้โปร่งทรงพระสติปัญญาและโปร่งทรงความเฉลียวฉลาดโป ร, ร่งทรงฤทธานุภาพสูงสุดโปร่งทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดีว่าดีของพระเจ้านั้นหมายถึงความสมบูรณ์แบบครับความสมบูรณ์แบบสูงที่สุดเป็นความสมบูรณ์ที่เราเรียกว่า a อ s ส l u t e สัตว์ทั้งสามประเภทและพระราชาดังต่อไปนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาในกณะเดียวกันครับก็มีท่วงท่าที่โอฬานโอโทงรู้จักวางตัวและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมพี่น้องครับทั้งสี่สิ่งมีชีวิตนี้ทำให้าาเราเห็นถึงอํานาจนิดเดตของพระเจ้าในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและ ถ้าเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตทั้ง4นี้ชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นชีวิตที่มีเกียรติมีความสง่างามมีความมั่นใจเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมีสติปัญญาสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างประยุกใช้ในชีวิตของเราต่อไปได้เราจะมาดูในแต่ละอย่างต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตแรกก็คือสิงสิงเป็นสัตว์ที่มีกาลังมากที่สุด และมันไม่ยอมหันหลังกลับเพราะสิ่งใดเลยความสง่างามของสิ่งนั้นกับกลายเป็นบา ร, รมีหรือความเข้มแข็งของมันและการที่สิ่งนั้นเป็นเจ้าป่ามันจึงไม่มีความกลัวในการดำเนินชีวิตแต่ละวันพี่น้องครับสิงโตนั้นเพศผู้ขนาดของมันนะครับอาจจะยาวถึง10ฟุตและสูงสฟุตนับตั้งแต่ เท้าขึ้นมาจนถึงไหล่ของมันและมีน้ำหนักถึงเรียกว่าหรปอนด์เลยทีเดียวครับสิงโตนั้นโดยเฉลี่ยมันสามารถที่จะกระโดดในแนวดิ่งแนวตั้งเนี่ยสูงถึง12ฟุตและมันสามารถที่จะวิ่งได้40่สิไมล์ต่อชั่วโมงร่างกายของมันนั้นมีความแข็งแรงมันสามารถที่จะฉุดมาลายด้วยเท้าของมันได้และ สามารถที่จะทำลายหลังของมันโดยการกัดเพียงครั้งเดียวเสียงคำรามของมันนั้นก็มีประสิทธิภาพและดังพอที่จะได้ยินออกไปในระยะไกลและสามารถสยบความเคลื่อนไหวของเหยื่อของมันได้เลยทีเดียวพี่น้องครับความงดงามของมันและความมีสมรรถภาพของมันทาให้เราเห็นว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างสิงขขึ้นมาและมันมีความสง่างามเจ้าได้มอบบทบาทหน้าที่ให้กับมันเป็นเจ้าแห่งป่าเพราะมันเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดและมันสู้ไม่ถอยครับมันไม่ยอมหันหลังเพราะสิ่งใดเลยนี่คือคุณสักัติประการแรกของสิงพี่น้องครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับพระเจ้าสร้างบางคนมาเพื่อที่จะมีกาลัง เพื่อที่จะมีบารมีเพื่อที่จะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตัวของเราว่าพระเจ้าสร้างเราให้อยู่ในบทบาทใดพระเจ้าสร้างเราให้อยู่ในสถานภาพใดในตำแหน่งใดและเราจะต้องใช้สถานภาพนั้นหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรานั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับเรามาพิจารณาถึงรายละเอียดของ สิงโตพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้เลือกสิงโตเป็นภาพของซาตานและมันทําอันตรายต่อธรรมิกชนของพระเจ้าที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างมีสติในพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8มันเป็นเหมือนดุจสิงค์คำรามที่วนเวียนอยู่พร้อมที่จะทําลายเหยื่อของมันพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้า ยังเลือกสิงโตเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อที่5เราจะเห็นว่าผู้อาวุโสยี่คนในสวรรค์ น, นั้นบอกกับยอห์นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นสิง์แห่งเผ่ายูดาพี่น้องครับพระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่มีสงาราศีมีความรุ่งโรดมีพระศิลิถ้าหากว่าเราเองนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เลือกสรรไว้ นะครับเราเองมีวันหนึ่งครับจะต้องถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์สิงแห่งเผ่ายูดาพี่น้องครับไม่ต้องสงสัยครับว่าสิงตัวไหนจะแข็งแรงกว่ากันเพราะว่าสำหรับพระเยซูกับมารซาตานแล้วพระองค์ประกาศชัดเจนครับในลูกาบทที่11อดข้อที่1 8บแถึงเพราะว่าเจนะของพระเจ้าได้ยกย่องพระเยซูว่าในที่สุดแล้วพระเยซูนั้นจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในที่สุด พี่น้องครับพระเยซูจะเต็มไปด้วยพระสิริและสงาาราศีมานซาตาและปีศานั้นจะตัวสั่นด้วยความเก่งกลัวพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อเรามองชีวิตของสิงโตเราจะพบบทเรียนแต่เมื่อเรามองชีวิตของพระเยซูคริสต์เราจะได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับยังมีสิ่งมีชีวิตอีก3าชนิดนะครับก็คือพ่อไก่แพะผู้และพระราชาพี่น้องครับ คำว่าพ่อไก่นั้นเป็นคำที่มีการแปลได้หลายรูปแบบครับพ่อไก่ในฉบับหลักๆภาษาอังกฤษนะครับก็แปลว่าเกรา r e เกรา n d แปลว่าสุนัขล่าเนื้อพี่น้องครับถามว่าทำไมถึงแปลเช่นนี้คำตอบก็คือว่าในภาษาฮีบรูนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนชัดเจนแต่ใช้คำคาที่เกี่ยวข้องกับการ ที่เป็นสัตว์ที่มีชวดทรงองเอวที่สง่า ง, งามปราดเปรียวซึ่งสามารถแปลได้หลายอย่างครับนอกจากแปลว่าเกรหาวหรือสุรัขหน้าเนื้อก็สามารถแปลว่าเป็นพ่อไก่ก็ได้หรือแปลว่าม้าลายก็ได้ครับเพราะฉะนั้นในการแปลตรงนี้จึงแปเป็นการแปลของคนในสมัยต่อมาที่จะเลือกแปลครับในบางพีฉบับภาษาไทยของเรานั้นก็ 1971งก้เจ็ดึงแปลว่าพ่อไก่ครับฉบับ2011ก็แปลว่าพ่อไก่ครับแต่ว่าใน king james และในหลายๆฉบับเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั้นก็แปลว่าเก่หเาอย่างไรก็ตามครับเรากลับมาดูในความหมายของภาษาฮีบรูเราก็พบว่าสัตว์พวกนี้นั้นเป็นเรียกว่าคาดเอลนะครับสามารถแปลว่าเป็นสัตว์ที่คาดเอก็คือเป็นสัตว์ที่ปลาดเปรียว เป็นสัตว์ที่มีชวดทรงอ ง, ง์เอลที่สง่า ง, งามนั่นแหละครับคือสิ่งที่อากูกาลังสอนเราพ่อไก่ที่เดินป้ออยู่หรือเกรเฮาที่มีชวดทรงอง์เอลที่สง่า ง, งามนั้นความสง่า ง, งามของมันและก็กล้ามเนื้อที่หลังของมันต่อไปคือแพะตัวผู้แพะตัวผู้นั้นสิ่งที่เป็นเรื่องสาคัญของมันก็คือ เขาครับเขาคือความสวยงามสง่าราศีของมันและสุดท้ายครับก็คือพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่อยู่ยั่งยืนยงก็คือเป็นเรื่องที่ว่าคนธรรมดาทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ได้ท่านเองเป็นคนที่มีบุญญาบรารมีในขณะเดียวกันครับก็เป็นที่ส่งเสริมหรือยกย่องของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้น ทั้งสี่สิ่งมีชีวิตที่กล่าววันนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดขึ้นมาครับพระเจ้าได้ทรงกาหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้สง่างามและก็มีความเยื้องไกลยอย่างสง่าผ่าเผยแสดงว่าสามสี่สิ่งที่ได้กล่าวมาในข้อที่29ครับมีสามสิ่งที่สง่างามมากในท่าเดินและมีสี่สิ่งที่ย่างเท้าผ่าเผย นั่นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการทรงสร้างของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นสร้างบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อให้มีสง่าราศีมีบารมีมีความสง่างามมีความงดงามนั่นจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบตั้งแต่ข้อที่24จนถึงข้อที่31ครับข้อที่24จนถึงข้อที่31นั้นได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่เล็กนะครับ ข้อ24ถึงข้อ28ก็คือมดกระจงผาตักกะแตนและตุกแกกับสิ่งที่ทรงสร้างที่ใหญ่ครับก็คือสิงห์นะครับพ่อไก่แพะผู้และพระราชาทั้งสองประเภทนะครับที่เปรียบเทียบกันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงประเภทที่เล็กน้อยกับประเภทที่ยิ่งใหญ่เราเห็นว่าในที่สุดแล้วพวจนะของพระเจ้าทั้ง2ประเภทนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตทั้ง2แบบนี้ ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบและนํามาใช้ก็คือว่าพระเจา้านั้นทรงเป็นพระเจา้าที่ทรงสร้างทุกอย่างมาอย่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเี่นองค์รับชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับพระเจา้าได้ทรงสร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายขอใเราแต่และท่านแต่และคนนั้นดํารงอยู่ในความเชื่อเช่นนี้เมื่อเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าพระเจา้าทรงสร้างเราอย่างมีวัตถุประสงค์ชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้ จึงอยู่อย่างมีความหมายครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนอาเมน